บุกทูยี่สิบห้าีเร่วยหญ่ดูในเมืองปัตตน์มโลดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟเนนูสเตชนันกิเวลาเลยดิฉันต้องการไปที่สนามบิน นีนูวิมานาสเรีย่วลลาีดิฉันต้องการไปที่ย eh ่านใจกลางเมืองนนูซ right> ิตีเซนตอร์กเวลาลีดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะนนเเวลีดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะนนูวนสเรียน่าเวลลาล ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะนี่หนูปัตนานุกีเยล่เวลล่ะลีดิฉันต้องการแท็กซี่น่ากวกกแท็กซี่กาวาลีดิฉันต้องการแผนที่เมืองนา่ากูปัตนานมยกากกับกัปตมะกาวาลีดิฉันต้องการโรงแรมนา่ากูบกกโฮเทลกาวาลี ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์นี่นบัตรเครดนี้อัดด้กยที่สกอตเลิชานุนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะอีดีน้าเครดิตการ์ดนี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะอีดีนาไลเซนส์ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะปัตตา น, นีโชัวร์ลเซนวิเอบี คุณไปเมืองเก่าสิคะป่าตััฒนานกี้เวลเลนดคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะนกะัการศึกษามเช ย, ยนดีคุณไปที่ท่าเรือสิคะเรอบุกเวลเลนไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะเรือบุดการศึกานกกิเว ล, เลน ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะอีวิกาคะอาศึกติกันม่ในประเทศสโลวีนเกอุไนอะกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด